ผลรู้สึกอัศจรรย์ผิดกับการทรมานอย่างอื่นอยู่มากแต่จะอธิบายข้างหน้าเมื่อมีโอกาสตอนนี้จะอธิบายไปตามแนวที่ส่วนมากท่านดำเนินการวิธีท่านฝึกทรมานใจด้วยอุบายต่างกันนั้นเป็นเทคนิคของแต่ละท่านที่จะคิดหาอุบายฝึกฝนตัวเองซึ่งแตกต่างกันไปเป็นรายๆบางท่านนอกจากไปอยู่ในป่านในเขาเป็นที่น่ากลัวแล้ว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 ซึ่งเป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานตัวหนึ่งเท่านั้นได้มิเป็นการขายตัวซึ่งเป็นพระทั้งองค์ไปหลหรืออีกประการหนึ่งพระศาสนาซึ่งมีความวิเศษอัศจรรย์ครอบโลกทั้งสามแต่อาศัยพระที่คลาดวาดกลัวพัยให้เกิดมนทินก็จะพลอยมัวหมองและเสื่อมเสียไปด้วยความเสื่อมเสียพระศาสนาอันเป็นสมบัติล้นค่าของโลกทั้งสามเพราะความเห็นแก่ชีวิตมากกว่าทำนั้นไม่เป็นการสมควรเลยถ้าตายก็จัดว่า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 ที่จะทรมานทั้งความกลัวและกวัวเอาชัยชนะมาครองอย่างองอาจดังที่เคยประสบมาอีกด้วยนี่แหละเป็นสาเหตุให้ท่านเสาะแสวงหาแต่ที่กลั ว, ลวเป็นที่บำเพ็ญที่กลัวมากเพียงไรท่านยิ่งมุ่งหน้าไปพักบำเพ็ญอยู่ที่นั้นเพราะการฝึกทั้งที่ใจกำลังแสดงความผาดโผนผอยู่ด้วยความกลัวจนเกิดความกล้าหาญประจักษ์ขึ้นมาด้วยอุบาสติปัญญาที่ทันต่อเล่ห์เหลี่ยมของใจ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 เรื่องเสือเรื่องผีกันเล็กน้อยเท่านั้นก็เริ่มกลัวแทบตัวสั่นอยู่แล้วจะไปมีสติสตังกระลึกถึงคาถาอาคมเพื่อป้องกันได้อย่างไรนอกจากจะคิดเพ็นท่าเดียวซึ่งเป็นเรื่องขายขี้หน้าชนิดไม่มีอะไรมาลบล้างได้ตลอดวันตายผมน่ะไม่ได้คิดแบบท่านถ้าคิดแบบท่านก็ต้องไปเที่ยวเรียนวิชาคาถาอาคมมาคมขู่เสือสัตว์เสือต่างๆแต่จะไม่สนใจคิดข่มขู่ความกลัว อันเป็นภัยอยู่ภายในด้วยอบายต่างๆให้หายไปได้สุดท้ายก็เป็นคนไม่เป็นท่าเชื่อตัวเองไม่ได้ตลอดบันดายคิดแล้วหน้าอับอายเสือที่มีอานาจกว่าคนนอนหรือร้องครางไปตามภาษาความสนุกคึกขนองของตนก็มีคนคอยกลัวอานาจนับว่าเสือดีมีอานาจกว่าคนไม่เป็นท่าหลายเท่าเวลาถามแนละขอเรียนคาถากับท่าน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 โดยทะนงตัวว่าธรรมะเกิดโอหารแตกฉานเทศปฏิพานก็ได้ต่อไปอาจเข้าใจว่าตัวเทศเก่งธรรมะก็แตกฉานภายในใจพูดเทไรทธรรมะยิ่งไหลออกมาเหมือนหน้าเหมือนท่าไม่อัดไม่อัน้นเลยทำให้เพลินพูดไปไม่หยุดหยอนกว่าจะรู้สึกตัวเวลาก็ปลาเข้าไปหลายชั่วโมงในการพูดหรือเทศแต่ละครั้งการติดตอ่อกับผู้คนไม่รู้เวล่เวลาว่าควรไม่ควร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 ฟังธรรมสากฉาท่านแล้วใจเป็นอย่างไรบ้างสำหรับผมเองแทบอกจะแตกตายอยู่ในที่นั้นเสร็จแล้วด้วยความอัศจรรย์ในธรรมที่ท่านสนทนากันเวลากลับมามองดูตัวเป็นเหมือนกาตัวจากภูเขาทองเราดีๆนี้เองคิดแล้วอยากมุดดินให้สิ้นสากไปเสียคิดว่าคงจะเบาพระศาสนาไม่หนักอึ้งพระเด็คนอภพอภิสนาที่ทาการกดทวงอยู่ตลอดมาดังที่เป็นอยู่เวลานี้ส่วนท่านและหมู่คณะ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 ยอมจำนนต่อสติปัญญาก็เป็นความอัศจรรย์เกินคาดคือใจกลับเกิดความล่าหารขึ้นมาขณะที่ความกลัวดับลงไปด้วยอุบายที่ทันกันหลังจากนั้นจิตสงบเต็มที่ปราศจากความหวาดกลัวใดๆดหนึ่งเวลาจิตถอนขึ้นมาก็ทรงความกล้าหารไว้ได้ไม่กลับกลัว1เป็นพยานหลักฐานในใจได้อย่างมั่นคงว่าจิตเป็นสิ่งที่ทรมานให้หายพย์ได้อย่างเห็นประจักษ์ ด้วยเหตุการณ์ต่างๆเป็นเครื่องสนับสนุนมีความกลัวเป็นต้น1มีความพอใจที่จะทรมานตนด้วยวิธีนั้นหรือวิธีอื่นด้วยความถนัดใจไม่พรั่นพึงต่อความตาย1แม้การทรมานตนด้วยวิธีอื่นๆก็โปรดทราบว่ า, า, วาท่านทําด้วยความมั่นใจที่เคยได้รับผลมาแล้วมีแต่จะเร่งความเพียรหนักมือขึ้นไปเพื่อความก้าวหน้าของจิตของธรรมภายในใจต่อไป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 แต่การกล่าวทางนี้มีได้กล่าวเพื่อให้เกิดความอ่อนแอแกท่านนักปฏิบัติทั้งหลายกล่าวเพื่อความเหมาะสมที่จะให้ได้รับประโยชน์ตามควรแก่ภาวะของตนต่างหัดบางท่านเมื่ออ่านพบข้าวเขาอาจคิดไปว่าอะไรที่เห็นว่ายากลําบากสนใจบ้างก็จะเหมาเอาเสียว่ามิใช่จริตของตัวจะไปทําอย่างนั้นจริตของตัวต้องอยู่สบายไม่ต้องมีความหวาดความกลัวต่างๆมาสัมผัสใจ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 แม่เสือไม่ได้มาที่นั้นแต่ใจกลับสงบลงเป็นสมาธิได้ก็มีโดยอาศัยความคิดและความกลัวว่าเสือจะมาหาตนแต่การภาวนาในขณะความกลัวกําลังแสดงตัวมี2วิธีคือทาจิตให้อยู่กับบทธรรมที่ตนเคยปฏิบัติมาไม่ยอมสอง่งจิตออกไปคิดปรุงว่าสัตว์ว่าเสือใดๆทั้งสิน้นภาวนาอยู่กับธรรมบทนั้นด้วยสติเป็นเครื่องควบคุม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 การโครจรบินถบาทก็สะดวกไม่ห่างจากที่พักนักราวสี่กิโลเมตรมีหมู่บ้านประมาณ15ห้าลังคาเรือนชาวบ้านเองก็ไม่มารบกวนให้ลำบากและเสียเวลาบาเพินเพียนต่างคนต่างทําธุระหน้าที่ของตนไปตามเรื่องวันหนึ่งตอนบ่ายท่านรู้สึกไม่ค่อยสบายเหมือนจะเป็นไข้มีอาการคลั่นเนื้อคลั่นตัวพิกลพอตาปากาวมาหาที่พัก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 เฉพาะคืนวันนั้นเวลาประมาณสามทุ่มตาบะขาวกำลังนั่งภาวนารำพึงถึงความผิดพลาดที่ตนได้ทาความประมาทต่ออาจารย์ด้วยความโมโหเป็นต้นเหตุจึงได้ลุกขึ้นปัสสวะรถกองไฟมีหนายังไม่ได้ไปเรียนขอขมาอาจารย์ให้ท่านงดโทษโหสิกรรมให้ขณะที่นั่งรำพึงโทษของตัวอยู่อย่างกระวนกระวายเสียงที่ไม่คาดฝันก็ได้ดังขึ้นข่ามุง้ง ด้านหลังห่างกันไม่ถึงวาเลยเป็นเสียงคำรามของเสือโคร่งใหญ่ลายพาดกรอนที่กำลังหมอบหันหน้าตาจ้องมองมาทางตาพะขาวราวกับจะโดดระคุบกินเป็นอาหารในขณะนั้นพร้อมทั้งเสียงโ ค, ครนคลางเบาๆพอเป็นการทดลองความเจ่งกาดแห่งความโมโห ข, ของลูกศิษย์กรรมฐานขนาดพอให้ได้ยินไปถึงอาจารย์ที่อยู่เงื่อมผาทางโน้นขณะที่กาลังโ ค, ครนคลางนั้น ทั้งเอาหางฟาดลงพื้นดินดังตุกตุกทั้งเสียงครางเบาๆทั้งแสดงท่าขยับหน้าและถอยหลังทำท่าจะตะครุบตาปลาขาวเป็นอาหารสดในขณะนั้นให้ตรงได้พอตาปลาขาวได้ยินเสียงประหลาดซึ่งไม่เคยได้ยินใกล้ชิดขนาดนั้นนับแต่มาอยู่ที่นั้นเป็นเวลาหลายเดือนก็ตกใจกลัวรีบหันหน้าไปดูทันทีระยะนั้นเดินกาลังหงายเต็มที่ก็ได้เห็นเสือโคร่งใหญ่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 เสือพอมองเห็นคนหันหน้ามาจ้องมองก็ทําเป็นถอยห่างออกไปบ้างเล็กน้อยและทําเสียงครวญครางไม่ลดละสักประเดี๋ยวก็เปลี่ยนท่าเข้ามาทางใหม่และถอยออกไปขยับเข้ามาอยู่ทํานองนั้นส่วนตาบาขาวเลยจะตายทั้งเป็นที่ต้องหันรีหันกวางไปตามเสือที่ยักย้ายเปลี่ยนท่าต่างๆไปมาอยู่รอบๆมุงไม่ลดละพอคนตั้งท่าจ้องมองหนะ้าเข้าก็ถอยห่างออกไปบางครั้ง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 ถ้าอย่างนั้นก็จงดื้ออยู่ที่นี่หากจะทนต่อเสือตัวนั้นได้จริงๆพอพูดจบคำท่านก็เรียกหาเสือตัวนั้นมาอีกว่าเสือตัวเป็นอาจารย์ของตาประขาวคนนี้ไปไหนเสียรีบกลับมารับตาประขาวผู้ดืดด่านนี้ไปอบรมให้หน่อยเถอะเราเบื่ออบรมจะตาอยู่แล้วรีบๆมาเร็วๆหน่อยพอพูดจบตาประขาวร้องไห้ขึ้นอีกร้อมรับคาว่ากระผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้ขอท่านอย่าให้เสือมาเลย กระผมกลัวมันคืนนี้แทบปลอดหลุดหาอยู่แล้วแต่ก็รีบไปที่พักของตนโดยไม่คิดถึงความกลัวความตายอีกเลยเป็นที่น่าพลาและอัศจรรย์อย่างยิ่งนับแต่วันนั้นมาไม่เคยปรากฏว่าเสือตัวนั้นมารอบๆมองมองแถบบริเวณนั้นอีกเลยจนกระทั่งจากที่นั้นไปซึ่งก็เป็นเวลาอีกหลายเดือนถ้าคิดตามสามัญสำนึกก็น่าจะมีอะไรมาบันดาลใจเสือตัวนั้น ให้มาทรมานตาประขาวผู้เก่งกาจอาหารพานพาโลทำในสิ่งที่ไม่ควรทำเช่นยืนปัสสวะรถกองไฟแม้แต่คนธรรมาดาไม่มีศีลมีธรรมก็ไม่คิดหารทำได้คนชนิดนี้ไม่มีอะไรจะเอาให้อยู่ในเงื้อมือได้นอกจากเสือโคร่งใหญ่ตัวนั้นพอเป็นคู่ทรมานกันได้แกถึงได้ยอมจำนวนอย่างราบนับแต่วันนั้นมาท่านว่าตาประขาวก็ไม่เคยแสดงอาการดื้อดึงอีกเลย นับว่าได้ผลดีเสือทรมานคนเก่งมาก